เพยให้ยิ่งเพียวคลิปตากลับปลิวหาย 曾。<音楽> มาฟังประวัติของนักร้องสาวชาวลำปางาปกติเนี่ยเราจะเป็นภาอีสานใช่ไหมจะตอนนี้เป็นชาวเหนือกันบ้างนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง m ิ s มอเต o รชเออม i s s m o ต o r s โช w ก็สวยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนักร้องคือมีการสนับสนุนของคุณอุบวิริยาพงศ์อาจหารนักปั้นศิลปินชื่อดัง ต่อมาเนี่ยมาสังกัดค่ายแกรมมี่โกโดยใช้ชื่อในวงการว่าแคทรัตติการซึ่งหลังที่ออกจากค่ายแกรมมี่โกไปแล้วก็ย้ายมาสังกัดค่ายอาสยามแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้ปี58ก็ได้ประกาศอำลาวงการแล้วก็หันไปปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตอดูชีวิตคนเรานะเป็น นักร้องที่มีผลงานเด่นหลายต่อหลายเพลงเช่นเมดอินลูกทุ่งคนไม่มีหัวใจเจ็บเย็บจากถักฝันอยากึืดนักป้อจ่าลันลาก้อนหินสิ้นใจซึ่งเอ่อชื่อจริงๆของเธอคือพุทธชาติยศแก้วอุดตอนนี้อายุ43ปีแล้วนะคะค่ายแกรมมี่โกล์เนี่ยเธอมี เพลงค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่แต่ว่าก็ไม่สู้กับค่ายอาสยามค่ายอาสยามนี่ออกมา5ชุดเลยซึ่งเธอได้รับรางวัลนะคะเยาวชนดีเด่นสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคมรางวัลชีวิตต้องสู้ไลฟ์อวอร์ดสาขาศิลปินสู้ชีวิตดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมปี2557 และที่สำคัญค่ะวันนี้เราจะมาเปิดให้ทุกท่านได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆของคุณแคทรัตการนะคะนั่นก็คือผลงานชื่อป้อใจละลานะคะเดี๋ยวให้ฟังกันเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามฟังนะคะกดกดไลค์ในเฟซบุ๊กนะคะแชร์หมดเปลือกหรือเข้ามากดไลค์นะคะใน l ลน์แอด เชลยูองนะคะหรือจะเข้ามาโทรศัพท์พูดคุยกับ call center ของรายการของเราได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบร์นะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆของแคทรัตรกาศปัจ่ายลันลากันค่ะปะจัจจาย ล, ะละันลา a b c u t มูลไบสสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบ้อยู่ที่หมู่บ้านตุ๊กแกนะค ะ, ะตำบลดอนคาอําเภอท่าตะโกจังหวัดคนครสวรรค์นะะอยู่ที่บ้านของคุณมะลิเพงหมูนะคะซึ่งคุณมะลิเพงหมูเนี่ยเป็นลกเส้นนะะมาประมาณ20ปีแล้วใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบ้ปัจจุบันนี้อาการที่ตรงไตก้นย้อยเนี่ยไม่มีแล้วนะะ ที่เป็นก้อนขึ้นมาเท่าเม็ดพุซาสาก้อนตอนนี้ก็ยุบแห้งหมดแล้วน ะ, ะเดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของคุณมลิเพงหมูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณมลิเพงหมูเนี่ยแนะนําชื่อนำสกุลบ้านเลขที่นะคะแล้วก็อาการค่ะสวัสดีค่ะคุณมลิแนะนําชื่อเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อมลิเพงหมูอยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยทับหนึ่งหมู่สามตดังคำพะท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะใช่หมู่บ้านทุกแกใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค, คุณม่ริแพงหมูเป็นเส้นมากี่ปีแล้วคะเป็นมายี่สิบปีแล้วคะ่ะยี่สิปีลองเล่าอาการให้ท่านผู้ฟังดูนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นเส้นเอเป็นขากระโกช้ า, าแล้วก็หลังหลังหลังงอ และเอ็นนิวล็อกนี่ฉันก็หายแล้วกินหมุนใบในะฉันก็หายแล้วจ้าก็ที่ว่าตรงใต้ก้นย้อยเนี่ยมีเอ็นหดเป็นก้อนประมาณ3ามก้อนใช่ไหมใช่จ้าใหญ่เท่าเม็ดพุทรจ้อใหญ่เท่าเม็ดพุทราสามก้อนนะคะแล้วปัจจุบันนี้เส้นที่ว่าเอ็นหดนั่นอะหายหายรือยังหายแล้วจ้าแล้วที่ว่าเดินหลัง ง, งอตอนนี้เดินหลังตรงแล้วใช่ไหมเดินหลังตรงแล้วจ้า แล้วนิ้วล็อกหายแล้วหายแล้วจ้าลองเล่าที่ว่าเห็นบอกว่ารักษามาทั่วใช่ไหตลอดยี่บรักษามาทั่วเลยจังไหดังฉันไปหมดจ้าก็ไม่หายเพิ่งมาหายเนี่ยชุดที่กินหมุนใบเนี่ยแค่25วันเนี่ยหายเลยค่ะอ๋อรับประทานมา25้าวันตอนนี้อาการไม่มีแล้วใช่ไหมคะจ้าอาการดีแล้วจ้ะไม่มีอาการเียค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณมะลิเพลงหมูมากเลยนค่ะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์หมุนไใบหากท่านใดมีปัญหาเป็นเส้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถชนนะคะเส้นพิการหรือว่ามีปัญหาปวดหัวเขา่าชามือชาเท้าตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นปวดหัวไมเกรนเป็นอมมาพึกอมมาพาดลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะผลิตภัณฑ์หมุนใบราคาไม่แพงนะคะแล้วก็น้ํามันแก้ปวดเมื่อยหมุนใบเนี่ยมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นไม่เปื้อนเสื้อผ้าด้วยนะคะทาแล้วซึม เลยไม่เหนียวเนอหนะนะคะแล้วก็ทาอย่างเดียวนะไม่ต้องนวดแล้วเส้นของท่านเนี่ยอาการที่มีปัญหาน่ยจะหายได้นะคะเพียงแค่ทาอย่างเดียวแล้วก็รับประทานอาหารเสริมเส้นร่วมกับผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนอาการเส้นของท่านก็หายขาดได้หากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 0, 8 1 3 9 4 6, 9 7นดเทวนเบอร์นะคะศูนหนึ่ง สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดหรือศ8 8 5 4 5ปด1ปดห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าศปดปดห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าอะอะขับรถอยู่หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อยห่ะปวดหลังหรือเปล่าแน่้นน ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆจนมื้ยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบับกรับไม่เกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืม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 ขณะนี้ดิฉันอยู่ในช่วงมูลไบสสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบ้อยู่ที่บ้านของคุณนรงสะน้อยนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านตุ๊กแก่ตดอนค่อภอท่าตะโกจังังวดนครสวรรค์คุณนรงนี่เป็นอำอำมาพึกอำมาพาสนะเดินไม่ได้มา20กว่าปีนะฮะแล้วก็เส้นท้องเนี่ยจมมากเลยนะคะคือเอามือดึงหนังท้องเนี่ยดึงดึงไม่ขึ้นเลยนะะเส้นท้องแข็งเปะ๊ะ เวลารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยความที่เส้นท้องมันจมมากเนี่ยทำให้ปวดปวดที่ท้องแล้วก็ปวดหลังแล่นไปถึงหลังปวดมากแล้วก็เอ่อเส้นขาเนี่ยจมลึกมากเลยนะเดี๋ยวจะให้คุณนรงเนี่ย บอกเล่าเก้าสิความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบแล้วอาการนั้นดีขึ้นมากเลยนะคะ Canada. สวัสดีค่ะคุณนรงเดี <locks. S 3> ๋ยวแนะนําชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เลยค่ะคุณนรงสะน้อยหมู่บ้านตุกแกบ้านเลขที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อหมู่สามอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์บลดอนคานะคะครับค่ะแล้วคุณนรง์นี่เป็นนานแค่ไหนนะคะเส้นเนี่ยประมาณ30ปี30ปีแล้วเดินไม่ได้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ20ปี ยี่สิบปีนะคะแล้วที่ว่าเส้นท้องจมดึงหนังท้องไม่ขึ้นเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วเป็นเป็นมายี่สิบปีดึงดึงท้องไม่ขึ้นเลยยี่สิบปีเอ่หนังท้องอะนะครับแล้วอ่าหลังจากที่รับประทานผลิตภัณฑ์มูลใบไปเนี่ยกี่วันคะถึงเริ่มรู้ว่าดีนะคะเจ็ดวันเริ่มหนังท้องย้อนเนื้อย้อนหมดหลังไม่ปวดอ๋อแต่ก่อนดึงเนื้อเนื้อหนังไม่ได้เลยไม่ได้เลยแข็งตึงไปหมด แล้วก็อาการที่ว่าขาละคะตอนตอนตอนแรกนี่ขานี่เหยียดไม่ออกใช่ไหมเห็นบอกนอนหงายไม่ได้นอนเหยียดไม่ได้นอนเหยียดไม่ได้ขาแข็งงอเหยียดไม่ตรงตอนนี้ทําท่าเหยียดสิบเหยียดออกนหน่อยแล้วหลังจากที่รับประทานมากี่วันแล้วคะตอนนี้ประมาณยี่สิกว่าวันแล้ว อ, อาการเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยค่ะจากที่เหยียดขาไม่ได้ตอนนี้เริ่มเหยียดได้แล้วใช่ไหมคะได้แลครับเริ่มเหยียดได้มากแล้ว แล้วก็เส้นท้องตอนนี้ยอ่อนหมดแล้วยอ่อนหมดยับลอ ย, ยอ่อนเอี่ยมแบบกระแมบบได้เต็มที่อ่ะแต่ก่อนขระแมวท้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นแบบนี้เดียวท้องแข็งเป็นเป็นขูเลยแข็งเดียเป็นก้อนอ๋อค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็เลยประทับใจจึงมาบอกเล่าก้90ความประทับใจนะคะหากท่านใดมีปัญหาเป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นจมเหมือนอย่างคุณนรง์ศน้อยเนี่ยหรือเป็นนิ้วล็อก กระดูกทับเส้นชามือชาเท้าปวดหัวเขา่าเอามาพึกเอามาพาดลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะได้ที่เบอร์0813946977หรือ0885453515ทวนเบอร์นะคะ088 ห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้ามีหลายคนบอกว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าคุณนรงช่วยยืนยันหน่อยะคะ่ะมันได้เป็นหน้าม้ามีเบอร์โทรไหมคะพอจะบอกเบอร์โทรท่านผู้ฟังมีครับอ่ะเบอร์อะไรคะศูนย์แปดศูย์หหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสองค่ะหากท่านใดกลัวว่าคุณนรงจะเป็นหน้าม้าลองโทรมาสอบถามดูนะคะอ่ะสองทวนเบอร์นะคะสำหรับท่าน ท, ที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์จากดิฉันศูนย์ปดหนึ่งสามเก้าสี่หก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 เกือบตีที่มาเยี่พาคนรวยสึงวันบอกเธ ให้เขางสบายแม่อยู่น้ายังใส่เสื้อผ้าเก่าเก่าทั้งที่ลูกสาวเย็บผ้างามๆมากมายมันมีประเนมคนตกบอกเกยได้ใส่แม่คงปลื้มใจถ้าได้ใส่เสื้อติลูก เตเก็บเก็บรอยเป็นปันทรงเลี้ยงตั้งบ้านกินขาเหลือซิดเหลือเศร้าเอาจาอมสิ้นอมเสบคงบอกการฝันสักวันฉันมีเงินเก็บจะซื้อเสื้อที๋ย ฉันอยู่ในช่วงมูลใบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะมาสัมภาษณ์คุณวินัยนะคะซึ่งคุณวินัยเนี่ยเป็นเก้านะคะแล้วก็ก้มหลังไม่ได้นั่งยองยองไม่ได้นะคะเป็นมา4ปีแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณวินัยเนี่แนะนําชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นะคะแล้วก็อาการสวัสดีค่ะคุณวินยัยแนะนําชื่อเลยค่ะครับสวัสดีครับผมวินัยเนียมโซเอกบ้านเลขที่99้าเาทับหกตบลสายลโพงหมู่อะไรคะหมู่15 ตำบลสายโพงนะอําเภอค่ะอําเภอท่าตะโกจังหวัดค่ะจังหวัดนครสวรรค์เป็นอะไรคะเบื้องต้นก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์มูนใบนะคะอ๋อไปตรวจมาเป็นเก้าเป็นมานานแค่ไหนลคะเกาเนี่ยประมาณกับสามปีสี่ปีอ่ะอ๋อเป็นเป็นเกามาสี่ปีนะคะแล้วก็มีอาการปวดบวมตามข้อใช่ไหมคะครับผมจะปวดตามข้อเข่าข้อ แถวตะปุมล้งางเท้าข้อมือข้อศอกค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีอาการปวดเนื่องจากเป็นเส้นเห็นบอกเส้นที่โคนขาล้างด้วยใช่ไหมเห็นว่าก้มหลังไม่ได้มาหลายปีเลยหรอคะครับตอนนี้ก้มก่อนทันนี่มันจะก้มไม่ได้ไม่ถึงหลังเท้าเลยเหยียดมือลงไปนะแต่พอทัดเสร็จปั๊บ ตอนนี้ก้มได้ถึงแล้วคือก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบเนี่ยเห็นบอกก้มหลังเนี่ยถ้าเทียบเวลาเอาไม้บรรทัดวัดเนี่ยเหนือจากเท้าขึ้นมาเนี่ยยี่สิบเซนถูกไหมครับผมก้มไม่ถึงประมาณนั้นนะจากมือลงไปถึงเท้าเนี่ยกว่าจะถึงเท้าเนี่ยยี่สิบเซนติเมตรแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้มได้อีกเพราะว่ามันจะตึงมากถูกไหมครัครับผมแล้วปัจจุบันนี้ก้มได้แล้วก็เหยียดได้ถึงเท้าแล้วใช่ไหมคะ ครับตอนนี้ก้มได้ถึงเลยถึงถึงพื้นดินแหละค่ะแล้วเห็นบอกว่านั่งยองๆมาไม่ได้หลายปีแล้วใช่ไหมครกี่ปีแล้วฮะนั่งยองๆไม่ได้สมปีค่ะแล้วที่ว่าก้มก้มไม่ได้ก้มไม่ถึงเท้าเนี่ยกี่ปีแล้วคะประมาณสี่ห้าปีเนี่ยอ๋อก้มไม่ถึงเท้าเนี่ยห้าปีแล้วก็นั่งยองๆไม่ได้เนี่ยมาสามปีสปีปัจจุบันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์มูลหมอาการดังกล่าวไม่มีแล้วใช่ไหมคะครับตอนนี้นั่งยยองได้ก้มหลังได้ แล้วก็จะไม่ค่อยเปิดเคยเมื่อยตามหัวข้อแหละคือปวดเก้านี่ก็ตอนนี้อาการเป็นยังไงมัง่งตอนนี้อาการเบามากเลยคือแคบเห<ถ> ม, มือนธรรมดาลนะ่ะเหมือนคนธรรมดาเลยไม่มีอาการแล้วถูกไหมคะครับผมค่ะก็คื อ, อรับประทานอย่างละห้าสิบแคปซูลเองนะคะอาการดังกล่าวก็ไม่มีแล้วนะคะที่ว่าก้มก้มแล้วบางครั้งนี่ว่าตึงมากเลยถ้าไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะครับเพราะก้มไปมากแล้วก็ มันจะเงยยากนะมันําบากแล้วเหมือนนั่งอยงอยงๆอ่ะจะลุกไม่ขึ้นอ่าค่ะแล้วเห็นบอกไปผ่าตัดมาด้วยใช่ไหมที่ข้อสะโพกครับว่าตอนนั้นไปผ่าตัดข้อสะโพกมาข้อสะโพกเสื่อมอก็เลยนั่งอยงอยงไม่ได้เลยค่ะเพราะตอนนี้ทานไปแล้วก็นั่งได้แล้วเนะ น, นี่ยตอนเนี้ยแค่ห้าสิบเพลย์ซนะค่ะก็อาการตอนนี้ก็เหมือนคนปกติแล้วถูกไหมคะครับผมค่ะครั บ, รบท่านผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะอ่าได้บอกกับดิฉันว่า เอ๋ที่สัมภาษณ์เป็นพวกหน้าม้าหรือเปล่าเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณวินัยเนียมสเวเอกหรือช่างเปียกเนี่ยได้กล่าวกับท่านผู้ฟังนะคะว่าไม่ใช่หน้ามา้าให้คุณวินัยมายืนยันเองเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณวินัยพูดเองเลยค่ะครับผมวินัยเนียมสเวเอกหรือว่าช่างเปี๊ยกช่างไฟอะ่ะ อ, อยู่สายลโพงใต้อะ่ะที่หาว่าสัมภาษณหน้าม้าไม่ใช่อะร้อเซนเลยคือขอยืนยันว่าไม่ใช่หน้ามา้าถูกไหมครับผม อ่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังความคิดเห็นนะคะมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังไหมคะช่างเปียกอ๋อครับถ้าเกิดใครเป็นยารมาตอยหรืออย่างผมเนี่ยที่ว่านั่งยองไม่ได้ได้ๆนะพาตัวนี้ไปสำหรับผมนี่มันรู้สึกดีกับกลัมากเลยก็พูดง่ายๆว่าจะเหมือนจะหายแล้วเนาะตอนนี้พอหมดอย่างละ50แคปซูลไม่มีอาการแล้วถูกไหมครับผมตอนนี้ดีดี่ ก็ขอขอบคุณคุณวินัยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูนไบาอาหากท่านใดมีปัญหาเป็นเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าปวดหัวเขา่าลองมาใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเส้นหรือใครที่เป็นเก้าหรือโรมาตอยก็ลองมาสั่งซื้อราคาก็ไม่แพงเลยนะคะอาหารเสริมแก้เส้นก็ไม่แพงนะคะน้ำมันแก้ปวดเมื่อยของมูนไบก็ไม่แพงนะคะหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อนะ ได้ที่เบอร์0813946977 7, นะดิฉันบอกช้าๆเพราะว่าบางคนบอกว่าจดไม่ทันนะอีกเบอร์หนึ่งนะอีกเบอร์หนึ่งเป็นของวันทูกของ0885 สี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าหากท่านใดจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์คนถัดไปให้ท่านเตรียมกระดาษปากกาไว้จดในช่วงบทสัมภาษณ์คนถัดไปก็ได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ที่ฉันขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณวินัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ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 เก้าเจ็ดเจ็ดผมสมชายนามตะกูลทองครับบ้านเลขที่สองหกหกทสี่ครับหมู่สองตำบลหลวงหลวงครับอำเภอท่าตะกูลจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นอะไรคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบน่ะคะบบปวดขา่าปวดตามมือตามเมยครับตามเท่นครับเดินมันก็จะไหวรู้สึกทานได้มันก็ดีขึ้นมากๆครับเออเดี๋ยวเห็นบอกว่าเวลาเดินนี่ต้องใช้ไม่เท้าเหรอคะครับบางทีก็ใช้บแบบลุกมันปวดครับ แล้วก็พอทานมันเรื่อยๆมาประมาณทักสอามกระปุกก็รู้สึกมันกระเบาขึ้นเบาขึ้นครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทาแล้วครับหายไปปกติดีแล้วก็เห็นบอกว่าเอ่อทานต่อเนื่องมา6กระปุกก็หายขาดเลยใช่ไหมคะครับผมประมาณ6กระปุกครับคือทานนาครับเดี๋ยวคุณสมชายนี่รับประทานเมื่อปีที่แล้วเนาะครับนี่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วไม่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมเส้นไม่ได้ใช้น้ํามันก็ไม่มีอาการอีกแล้วใช่ไหมคะครับ ก็ไม่มีอาการปวดครับแล้วเห็นอบอกว่า<ร>คนรู้จักซือ้อตามด้วยก็หายด้วยใช่ไหมคุณน้อยหรืออะไรเนะี่ยลองลอ ง, ลองเล่าซิฮ<อ>ะเขาก็หายด้วยครับเขาบอกเขาหายเขาบอกงว้นคุณน้อยเขาบอกเขาบอกหายเขาบอกหายแต่เขาทำไร่อยู่ใกล้กันเขาบอกหายก็บเขาหายบอกเขาไม่ปวดอ่ะาว่าร้นครับอ๋อปัจจุบันนี้คุณน้อยก็ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมเส้นไม่ได้ทานน้ํามันก็ไม่มีอาการอีกแล้วใช่ไหมคะครับเขาบอกเขาไม่ได้ทานใหม่อ่าแล้วก็ไม่มีอาการแล้วใช่ไหมคะครับค่ะเอ่อเห็นอีกเรื่องหนึ่งคืออ่าน้องชายคุณสมชายวันทองเนี่ย เห็นบอกติดเหล้ามา20ปีรับ<ะ>ประทานเลิกเหล้าของมูลไบแล้วเลิกขาดเลยหรือคะเขาเลิกขาดเขาปิดร้ามาประมาณปีเขาให้ผมสั่งสั่งมูลใบเลิกเหล้าให้ผมก็สั่งให้1นึงกระปุกแล้วก็ตอนนี้เขาขาทานไปกระปุกเดียวเาก็ไม่ไม่ได้ไม่ดืมม่มเหล้าใหม่เลยครับทุก ท, ทุกวันนี้ครับพ๋เอเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เลิกเหล้าของมูลบเนี่ยเห็นบอกมือสั่นเป็นแอลกอฮอลิซึมด้วยหรือคะครับตกเยนขาไม่ไทาเหล้ามือจะสั่นปเลยครับถ้าทาเหล้ามันจะหายสั่นแต่พอทานไปแล้วประมาณ2 สวันเขาก็เริ่มสั่นแต่เขาก็รู้สึกเขาก็ไม่เห็นเล่าเขาไม่รู้อยากยินทั้งทั้งทุกวันนี้เขาก็ไม่ยินทุกวันนี้ไม่เคยกลับไปแตะเล่าอีกเลยใช่ไหมคะครับไม่เคยกลับไม่เคยกลับไปแกะเลยครับเลิกขาดไปเลยใช่ไหมครับผมคุณสมชายพอจะมีอะพอจะบอกเบอ ร, ร์โทรท่านผู้ฟังมได้ไหมคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังเขาอยากจะรู้อจริงหรือเปล่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าอคุณสมชายบอกเบอ ร, ร์โทรเลยคะ่ะเบอร์ของผมศูนแปดเจ็ดครับหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหกแปดห้าครับ อันนี้คือเบอร์ของคุณสมชายวันทองนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะ อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงไหมเป็นหน้าม้าไหมลองโทรมาสอบถามคุณสมชายวันทองนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยเป็นดีเจพูดอยู่ขึ้นหนึ่งนะแล้วคุณสมชายวันทองเนี่ยได้ลองสั่งมาพอฟังรายการดิฉันแล้วก็ลองสั่งแล้วก็ปัจจุบันนี้หายขาดจากเส้นแม้ว่าเลิกรับประทานอาหารเสริมเส้นเลิกใช้น้ํามันแก้ปวดเมื่อยตอนนี้ผ่านมาปีแล้วใช่ไหมฮะปัดผมปีครับปีหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการเลยนะครับก็ไม่มีอาการปวดครับทำงานหนักหรือเปล่าคะตอนนี้หนักครับขุดมันทุกวันอ๋อ ทำงานหนักก็ไม่มีอาการแล้วใช่ไหมคะครับไม่มีอาการไม่มีอาการครับผมว่ขุดมันวันทุกวันครับก็ขอขอบคุณคุณสมชายวันทองมากเลยนะคะที่บอกเล่า90บความประทับใจในผลิตภัณฑ์มุนน้องชายที่ว่าเลิกเหล้าได้นี่ชื่อนามสกุลเขาชื่ออะไรคะจัันน้ำเสือครับอ๋อคุณจัลันน้ำเสือนะคะที่ปัจจุบันนี้เลิกขาดจากการดื่มเหล้า ท, ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นมือจะสั่นเพราะว่าเป็นแอลกอฮอล์ซึมเห็นอ่าทานทั้งวันเลยใช่ไหมแต่ก่อนนัน้นทุกวันครับ ก็เห็นมีคนเล่าบอกว่าเมาหัวลาน้ําทั้งวันใช่ไหมคะตอแบบแกทานเหล้าเลยแกกินแบบน้ําแทนน้ําเลยครับโอ้โหกินแบบแทนน้ำอ่ะได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันกินทั้งตอนนี้แต่ตอนนี้มาทํางานอยู่กับผมอ่ะแต่แกก็ไม่ได้ไม่ได้ทานเลยครับเหล้าหยุดถามบอกจะกินไหมบอกงี้ผมไม่กินครับลุงผมไม่กินแล้วผมไม่เอาแล้วแกบอกลุงนี้เรื่องฉัต้องงานเรื่องใดนี้ไม่ลุงก็ไม่บอกผมเขาก็บอกดีก็ดีจริงจริผมหายเลยผมไม่ได้จกิีเหล้าเลยทั้งทุกวันเนี่ย อืมค mm ่ะ ขอขอบคุณคุณสมชายวันทองมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบหากท่านใดมีปัญหาเป็นเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าปวดหัวเขา่าหรือเป็นอัมพฤกอัมพาตปวดหัวไมเกรนนะคะปวดต่ำข้อต่ำกระดูกเนื่องจากเป็นเกาหรือรูมาตอยลองมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเส้นของมูลไบผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนลา้างพังผืดของมูลไบแล้วก็ใช้น้ํามันแก้ปวดเมื่อยของมูลไบร่วมด้วยนะคะสอย่างก็หายเหมือนคุณสมชายวัน ทองได้นะฮะหรือท่านใดที่มีอาการติดเหล้าไม่ว่าจะสามีติดเหล้าลูกติดเหล้าหรือตัวท่านเนี่ยอยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ลองมาสั่งผลิตภัณฑ์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ของมูลใบกันดูนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะส่วนอาหารเสริมเส้นของมูลใบาราคาไม่แพงนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนล้า ง, งพังผืดก็ไม่แพงนะคะส่วนน้ํามันแก้ปวดเมื่อยของมูลใบนั้นซึมเร็วค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะทาแล้วซึมทันทีแล้วก็ช่วยดึงเส้นได้เหมือนหมอจับเส้นทาเพียงอย่างเดียวนะคะ ไม่ต้องนวดสามารถรักษาอาการเส้นจมของท่านให้หายได้นะคะราคาไม่แพงค่ะหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่เบอร์0885453515หหหทวนเบอร์นะคะเผื่อท่านจดไม่ทัน0 8 8 5 4 5ห้า สา1ห้าหนึ่งห้าหรือ08 1 3 9 4 6ดหนึ่งสา4 6 9 7 7สหเจ็ดดดหนึ่งสาสห้าเจ็็ด หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันนะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์รายถัดไปนะให้เตรียมกระดาษปากกาสำหรับในช่วงนี้ดิฉันก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับท่านผู้ฟังก่อนนะคะแล้วฟังในช่วงหน้าต่อไปนะคะ ก่อนที่คุณป้าจะใช้มูลไบรท์คุณป้าเป็นอะไรมาคะปวดว่าเขาปวดน้องปวดสะโพกแล้วพอทานแล้วมันก็ฟังจากวิทยุทีแรกเลยอะฟังจากวิทยุทีนี้พอกินแล้วพอนั่นก็ต่างตื้อตื้อแล้วก็มาแบ่งกันก็เพื่อนบา้านระห้าสิบเมตรแรก แล้วพอเที่ยหลังก็สั่งอีกสั่งชุดใหญอีกก็แบ่งกันคนละครึ่งกินมาได้เดือนนึ่งแล้วที่นี่มันเบาปวดแล้วปวดข้างนี้ต่างใหม่อั่งซิ้นใหม่แล้วอาการที่คุณป้าบอกว่าปวดตึงเนี่ยมันปวดตรงไหนบ้างแล้วเล่ารายละเอียดนิดนึงค่ะปวดตะโคกก็หัวเขา่าแต่ตอนเนี้ยไม่ปวดแล้วตะโคกเ่องตะโค่เคร่องแนหลังนะ เมื่อก่อนน้ำมันปวดมากแต่เดี๋ยวเนี้ไม่ปวดแล้วพวกเขาเนะี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ยยกได้เดินเนได้เมื่อก่อนนี่ยืนได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ปวดแล้วต้องนั่งแต่พอมากินนี่มันก็เบากินมาได้ประมาณหนึ่งเดือน ป้าค่ะแล้วอาการของเพื่อนป้าค่ะที่เป็ น, น, นเขาเมือชาเขากินเขาบอกเป็นมือชาแต่เขาก็เบาเนี่ยเขาก็สั่งเนี่ยเดี๋ยวแบ่งกันแบ่งต่างทุดใหญ่แล้วก็เราก็มาแบ่งกันเนี่ยเขาก็เบาเขาบอกข้าไม่กินแล้วมันก็จะตอนที่ยังไม่กินเนี่ยเขาบอกมันปวดเขาไปกีดยาฉีดมือเขาเป็นที่มือแต่นี่เขากินเนี่ยเขาก็เบาเขาบอกเขาก็เบา แล้วที่บอกว่าเขาเบาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำงานได้สะดวกไหมคะเพื่อ น, นะคะเขาเลี้ยงหลานเขาไม่ได้ทางานน่ะเขาเลี้ยงหลานแต่เขาก็ทำก็แก้ตรเนี้เขาทำได้อแล้วป้าเล่าอาการหนะะ่อยค่ะตอนนี้ที่ป้าบอกว่าเบาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ป้าทำอะไรได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนบ้างคะเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างก็อาีทำท ำ, ทำสเต็กทาคักทาถั่วทาพีชลน้ำ เมื่อก่อนเมื่อก่อนยืนไม่ได้นั่งยองๆก็นั่งไม่ได้แต่เดี๋ยวเนี้ยข่อยชั่วยองๆได้มั่งอยืนได้ลดน้ําทําได้ทั้งวันเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วป้ามีอะไรจะฝากกับเ อ, อผู้ฟังไหมคะถ้าใครเป็นถ้าปวดขาปวดเข่าก็ให้ลองซื้อกินมันมันไม่แพงมันก็ไม่แพงหรอกแต่ถ้าเราหายมันก็คุ้มค่า ลองกินดูันนีก็ลองกินเหมือนกันก็ฟังจากวิทยุเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณป้าปราณีนะคะตรีโชคเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะชาหมือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จำ ชาอมือชาเทา้าปวดเมื่อตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนไบรทจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูนไบรทสอบถามได้ที่เบอร์0 8, 7 7, 0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสาเกสหเกเจเจดำศูนหนึ่งสมเกสหเกเจดเจด กางโกมลชูบัวจ้าอยู่หมู่ห้าตำบลหอบกะลามอำเภอพยุหะกิลีจังหวัดคนครสวรรค์จ้ะค่ะคุณโกมลนคะก่อนหน้านั้นนะคะที่คุณโกมลบอกว่าปวดเยอะๆเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาคะปวดขาจ้ะปวดขามากลูกกอโอนั่งกัโอยอย่างเงี้ยจ้ะ มันเดินไม่ค่อยกระเดวกเท่าไหร่ลุกแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเงี้ยเดินไปได้แต่อย่าไปนั่งเขานั่งแล้วก็ลุกไม่ได้ปวดจ้ะเออคุณโกโมลเล่ารายละเอียดนี้หนึ่งได้ไหมคะว่าที่ว่านั่งแล้วลุกไม่ขึ้นเนี่ยนั่งยองๆได้ไหมหรือว่าเป็นอะไรมาคะ ม, มันปวดข่ า, ขามันเสียวจ้ะ แล้วก็เช้าที่หลังเช้าอหะข้างทีป่ปวดอะเงินก็จะกำนัดแล้วมันกระทบกับชีวิตประจําวันคุณโกมลยังไงบ้างคะก็ทำมันไดลําบากนิดนึงอะค่ะแล้วกังวลปวดเอาไว้ม่ได้กินาอะไรเลยกินอะไรก็ไม่หายทีนี้ก็มากินมาแล้นนวกังวปวดเอาแตทํางานยืนได้เหมือนกัน ค่ะแล้วของคุณโกมลเนี่ยค่ะได้มาใช้ของมูลไบรท์แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะมันก็มันก็ดีขึ้นนล้นะมันก็เบากว่าที่ยังไม่ได้กินเบามากมันกคนไหนมันมันเบามันมันไม่เคยตรวจนต่แต่มันเสี่ยงเป็นบางครั้งเหมือนกันมันมันกินทุดเดียวมันคงจะไม่อยากให้ขาดแล้วมั้งเนาะมันต้องต่ออีกอะมันเบาเยอะ แล้วของคุณโกโมลนนะคะที่บอกว่ามันเบาเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยคุณโกโมลทําอะไรได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนบ้างอนะคะก็กนะ็ดาษยากะดาษยาไร่เนี่ยจะ้ะแต่ทําทุกวันนั่นแหละทาหนักมั่งเบามั่งก็ทําได้ทําได้เยอะกว่าเมื่อก่อนมันไม่ตรวจเมื่ อ, อยๆนะมันทําได้ถนัดแล้วคุณโกโมอนนะคะ มีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไรท์เนี่ยแพงเกินไปไหมเทียบกับคุณภาพที่เราได้รับอะค่ะก็ถ้ากินหักกินเบาอย่างนี้ก็ไม่แพง่ะจ้ะพ อ, พอได้ตองสังต่อใหม่แล้วคุณโกมล อ, อยากจะฝากอะไรกับผู้ฟังทางวิทยุบ้างไหมคะที่เขามีอาการแบบคุณโกมล น, นะคะ โอ้ถ้าถ้าใครอยากกินก็กินได้เลยนะมันคิดว่ามันเบายเยอะแล้วล่ะมันก้อนข้างมันก้อนข้างจะหายเลยเนี่ยใครอยากกินก็กินได้เลยถ้าปวดอย่างเงี้ยจะหาย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 ฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไบรชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมโอ้กะไรใจชาย ผข้าเจ้าสาวเนื้อข้าเจ้าหลงเชื่อคำบอกของชายชาวบางกอกจึงต้องทำชอกเจ็บบอ่อจังแรกเจอที่ปันเอ๋ยทั้งบอกพักแล้วบอมีอำมรังข้าเจ้าหลงทาง เพราะคนผากลางปากหวานบทพักเที่ยวทานชาน บนเขากระลาเผอพูยุหะค่ะจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอยู่บ้านหมู่ที่สาบ้านพุทธเมืองอ่าบ้านพุทธเมืองนะคะเขากระลาผา<ช>้ยุห ะ, ะ, ะคุณป้าเนี่ยมีอาการเป็นอะไรมาก่อนที่มารู้จักกับมูลไบร์ ค, ค่ะก็ปวดคอค่ ะ, คะปวดคออันนี้เป็นมากี่ปีคะเป็นมาสามปีแล้วมั้งเนี่ย ปวดคอแล้วเป็นยังไงหันได้หรือไม่ได้มันก็หันได้แต่เวลาเรานั่งนานๆนนมันก็ปวดอย่างนั้นนลยนะอืมโอมันก็ทรมานมันปวดตึงอะอ๋อค่ะแล้วคุณป้ามารู้จักกับไก่เ อ, อ่อได้ยังไงคะก็ไปอยู่ตลาดฟังวิทยุมันโตะนาคนโน้นหายคนนี้หายเราก็ซื้อมากินมั่งอืม ล้วซื้อไปกินแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็เบาอะหลังไม่ปวดแล้วแล้วคอยังปวดอยู่ไหมมันเบาแล้วอืมมันเบาแล้วนะเบาตึงแล้วค่ะแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบนี่ราคาเป็นยังไงพอได้ไหมก็ราคาก็ถถถถถถถถถัถถถถถถถถถอถถถถถถถถถถถถถถอถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถ เราที่มันเบาหมดอะไรเงี้ยแจะเชื่อได้ไหมเนี่ยคือใช้ของจริงๆหรือเปล่ากลัวโดวนหลอกนะบางคนอ๋ อ, อก็มันก็ต้องล้องของอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากบอกกับผู้ฟังไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเป็นเป็ น, ปนอาการก็คือสั่งไปแล้วกินแล้วมันปวดบอกว่าไ ม, ไม่ไม่ไหวอะปวดเลกกิน้าจะบอกอะไรกับเขาฮะก็เขาดีกินไปนี่ อาทิตยนึ่งก็ โ, โหถ่ายดีจังเนี่ยมันก็โลง่ง ม, มันก็ไม่แพงแล้วถ้ามันกินดีเขื่งนช่วงเี้ยอโอ้โหกินมาทั่วแลยไปฝังเข็มก็ไปก็ไม่รู้จะยังไงแล้วก็กินนี่ก็ดีนะสั่งอีกแล้วนะอืมแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยรักษามาเยอะหมดเงินไปเยอะไม่ป้าโอ้โหไม่รู้ทลาเล้วไปไหนดีก็ไปไปไหนดีก็นวดกันนวด แตดว่าวันนี้มันเบาเตึงแล้วเนี่ยอืมค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือตัวอย่างนะคะของคนที่เคยปวดคอปวดหลังมาก่อนเป็นมาหลายปีรักษามาทั่วไม่หายแต่ตอนนี้ดีขึ้นด้วยมูลไรท์นะคะค่ะ mm hmm. ทางรายการมูลไรท์ต้องขอขอบคุณคุณพักธรพรจันขาวที่อยู่บ้านพุตาเมืองหมู่สามตําบลเขากะลาอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะ